รับประทาเนเสร็จการเสร็จหมดเลยนะเครับรับประทกนการเสร็จหมดเลเรอวาครับหลวงพ่อไ่ใช่สามยหมหาบัวไฮะเป็นสายหาัวด้วยหรออูกับลงตาอยวามหาหมยัยูลงตาเจ็ดปีพระวัอ ย, อยู่ทุกวันพระวัดงตาห คุณภาวระวังหนีอ่ะสบายที่าวรตา จนเดียนี้ตอนหลังมาเราเจอคนนั้นนี่อู้ว่าไงเนี่อุกดอนมันมีธรรมดาน้ำซุปไม่ไม่ใช่ธรรมด า, <c oughs> าเลยเขาเลยเขาเลยยิม้มนไปพอพอคราวนี้ไปพูดถึงเรื่องข้อ่างเราก็คิดถึงคนน่ะ <c> เ <oughs> ดีววันนั้นเราได้เลาอไา เ, รเรื่อยๆกันด้วยไปว่าจะไปเยี่ยมหนึ่งคนเอา้า สอคนอยู่ใกล้ๆที่เองบุรีรัมย่นั่นลืมตาไม่ถึงตาเลยนะลนะืมตามได้นั่นตัวเอ ง, งไม่ได้แลนะ้วทั้งสองคนเลยลืมตาไม่ได้และยังอยู่ยกับ่ง บอกว่าลุงพออ่อไปว่าคุณพ่อป่วยป่วยเป็นเร็งอยากให้ไปพูดทำไมคุณพ่อฟังเ้าก็มานึกถึงว่า เ, เด็กเขาก็มีความนึกคิดอยากให้พ่อฟังทำพ่อป่วยไม่สบายอ ย, ย่าให้คุณพ่อฟังทำคุยไปคุยมาทำไปทำมาเอ้าอลูกชายของยมสหัสันอุดรเนี่ยเนี่ยอ้วน เราเรียนเรื่ออ้วนประมาณปีสองสี่นี่แหละปีสองสี่นี่แหละเ่องอ้วนไปสร้างพิธีในครัวลูกตาเลยมอบหมายให้เราดูเลยดูแลันไหก่อนก็ไปไปไปหาลูตาลามัวบ่อยบ่อยมากสมัยสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไปบ่อยแคบ่อยไปไปด้วกันนะไม่ไม่ตอนเขาเป็นหนุ่มๆค่ะอ๋อ บางคดีอ๋อดันั้นีสองสี่เลยเราไปทํำคดิให้ยันดีเลยและคดีคดีหลังนี้แหละเป็นคดิหลังใหญ่ที่อยู่ในครัเวลาคุณชาวบาราเขาไปปัญตาเขาก็ได้ไปพักคดีหลังนี้หละคุณชาวบาราหลังจากเขาทอดซื้อที่ถวายลูกตาเนี่ยก็ตั้งแต่ปีสามปดก็ตั้งแต่ปีสามปดลูกตาตอนนั้นเราก็ขึ้นมาอยู่กุสังโขคือเราไปอยู่รู่นกูเขียนสามปีเสร็จแล้ว แล้วขึ้นเป็นูลูกตาเจปีแล้วกลับไปช่วยลกบุเขียนอีกหกปีเพราะตอนนี้ลูกบุกเขียนท่านเป็นอมัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้เลยเราก็เลยช่วยกันดูแลมาจนสิบเก้าปีอมัมพาตขอ ง, ท, งท่า น, น, ลา แ, บบนาแล้วก็ท่านก็มรณภาพไปตั้งแต่ปีสี่หแล้วลกเขียนเราไปช่วยลกบุกเขียนอีกหกปีเสร็จแล้วอาจารย์มันชัยไปบุกเบิกที่กูสันโคใหม่ๆ อาจารย์ไปใช้มากกว่าท่านอยู wow. like ่ที่ถ้ำผาแดงปูนรุ่งปูดีเสร็จแล้วอมัยมสองปีอาจารย์ไใชไปช่วยทั้งเที่ยวแรมทั้งซับฉีนทั้งอะไรแต่ลายมันเป็นมันเป็นวัรรทีุ่งปูดีเพิ่งไปสร้างไปทาเพราะรุงปูดีนีท่านมีปณิฐานว่าถ้าอายุพรรษาไม่ไม่ถึงสี่สิบท่านจะไม่สร้างพระสมัยท่านตาอยู่ท่านก็เข้าออกเข้าออกบ้านตากุปูดีพวกเรารู้จักดีเนาะทุกคน พอมดลูกตาไปลกปูนีเป็นหลังทุกวันเนี่ยสมัยลกายานหู้ลูกปูนีจะเข้าออกเข้าออกเข้าออกไปจําัาระนั่บางวัดนี้บางวนั่นบางวนี้าพอมาปีอายุพรรษาปีสี่สิท่านก็เลยไปสร้างวัดผาแดงอาจารย์มินชัยก็เลยไปช่วยช่วยทั้งทั้งหัวคิดหัวอ่านทั้งฝีมือทัางเป็นช่างเลยเนยเป็นช่างลงงานลงงานทั้งไรได้หมดช่วยทั้งเงินทั้งทองทั้งไรไปเลยดูเหมือนจะปี3ามสามสามสี่อาาชไปช่วย ตอนนั้นเราอยากช่วยน้องผูเขียนอยู่อยากเชิญอยู่เนี่ยเพราะน้องผูเขียนอมพาดอมพาดที่เราไปเกี่ยวข้องกับน้องตาเพราะน้องผูเขียนนั่นแะเพราะว่าน้องผูเขียนกับน้งตาท่านเป็นเพื่อนกันถ้าเป็นมหาปรเดียนด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันเคยอะไรเกี่ยวข้องกันหมดน้งตาท่านเรียกเสี่ยวน้องตาเนี่ยท่านเรียกท่านเรียกน้องผูเขียนท่านเรียกเสี่ยวมันเขาจลั่ไปน้องผูเขียนน้องผูเขียนพามาลนุมตา พอละมาพอละมานึ där, it, d, Será, ่งตาเสร็จแล้วลูงปุ๋เขียนป่วยป่วยปกติไม่ว่าใครแหละไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าคุณบาอาจารย์ไม่ว่าใครอ่ะเคยเดีอดข้อมกับลูกศิษย์ลุงหาคนไหนมันก็ต้องได้หวังพึ่งมึงกับพ่อแม่พอแม่วังพึ่งลูกคุณบาอาจารย์เหมือนกันอ่านก็ต้องดูลูกศิษย์นใครพอจะพึ่งปาสัตก็ชาวบ้านก็ไม่มีอะไรท่านก็พูดบอกชาวบ้านให้ฟังชาวบ้านก็มาตารด้วยมาตามด้วยมาตามด้วย S 1> <S 1> ท่านเามาภาคปี27เข้ามาตามแล้วก็ไม่ไปมาตามมาลูกีเยอ้ามาเยีะเ้มาเดียวมาปี28 แ, แล้วก็ไม่ไปเยอะเขามาเราบวกลงก า, ารรำคาญเพอปี29เราก็เลยกลับไปกลับไปช่วยลูกเขียนอีก6ปีไปอยู่มาเราเป็นจ่5 6ปีัพระเน่ยศพอะพระรนมากขึ้นพระทีามมา่มีอายุป็ญหามาถก็เขามีหลายองค์เราก็เลยทิ้งหหมูเขาดูแลซะเราก็เลยมาอยู่กับ มาอยู่บกเบกอาจารย์มันชัยที่ปู่สังโฆซึ่งอยู่ใกล้ๆบบที่บาเราอยู่ครับอยู่ชื่อบุกเบกันสามปีผููสังโฆที่หงตาไปตั้งชื่อให้อาจารย์มันชัยก็มีถามด้วยกันสมัยเราเราทกุฏิแม่ปู่เลยทากฏิคุณเองเลยอะไรเลยคุณแงรู้จักใช่ไหมออกุฏิคุณเองเลยกุฏิแม่ปู่เลยจามนชัยก็ไปช่วยช่วยกันอาจารย์มันชัยนี่ก็อายุเท่ากันในภรษาท่านน ตอนปราสองนึกษามึกสาตอนก็เราสองนึกสามึกษาก็ไม่ไม่อยู่ไอ้ช่วยบุกเบิกข้าราชกาชายสามปีเที่ยวทำที่พาวนาตามถ้ำามนตามเมืองที่กูาารรรตัโคถ้าเราเข้าไปแล้วเราไปเดินดูมันเป็นที่ดีมากถ้าเราเข้าไปอยู่ตรง น, นั้ น, มนไม้อะไรทีรกนรี้ปล า, ปล า, ปลาสัตว์เต็มไปหมดหนึ่ปไปที่ดีที่มากสามปี กันปวามมสามสมปดีปีสามเนั่งไอ้คนชวิตเงบินรถตุ๊ินปีสั้ซือซือที่ทงาตอ้าวตุ๊ตาลกนยงมู่พราะว่าเวลาท่านไปภูสัขอก็ไปเจอเราอยู่นู้นเวลาท่านไปภูสันขอก็ไปเจอเราอยู่ที่นูอยู่กับจําแมนชัยอยู่นู้นแต่แล้วท่านก็ท่าก็ไปแยกไปแยกกนอยู่ดิ๊ไปแยกกันที่ท่างเต่าทุกวัน มันเป็นพื้นที่แค่สามสิบไร่เป็นที่หนองเสาสามนะเป็นที่เอกสารสิบสามสิบไร่ใน ว, วัดรอบข้างเปป่าสงวนทั้งหมดเลยพอเราเข้าไปอยู่ปั๊บเนี่ยไอ้คนที่เขาเคยบุกป่าสงวนเขาเอามาให้วัดเราหมดคุณท้าวลาเป็คนเสียเงินให้เป็คนชดเชยให้หมดมรรู้ตั้งกี่ร้อยนะเป็ น, พ, นพันไร่เลยนะชาวพาัดเอาาให้เราหมดเลย เราก็ไถปลูกต้นไม้ไถปลูกไถปลูกไถปลูกมีโครงการนั้นมีโครงการนี้เมื่อก่อนโครงการนั้นไปบ่อยคั้งไ ป, ไ ป, ไปแล้วก็ปีสามแปดปีสามแปีสามแปดปีสามเก้ามีโครงการมีโครงการ ป, ร ป, ป ล, าาาลูกป่าขาว่ชลประเกียงต้องจองทุ่งที่ ป, ป, ปลูกป่าเพื่อชลประเกียงใ้หลวงจำเราจําได้ว่าปีนั้นอะไรชวนเป็นนายกเป็นโครงการของของชวนเป็นนายกอืม น้องตาเขเลยจองนลองตาเซนเองเลยนะจองพื้นที่ปลูกป่าจองจองพื้นที่ปลูกป่าแต่ว่าจองเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทหนึ่งเอาเงินไปให้ป่าไม้รายละสามแผ่นเพื่อป่าไม้ใช้จัดการปลูกป่าให้เราที่2ก็คือเราดําเนินการเองดำเนินการก็เลยเข้าโครงการและส่งทุนงานด้านป่าไม้ด้วยและโครงการปลูกป่าครับว่ามีเพิเติมเลยได้พื้นที่คืนมาได้ป่าไม้คืน นี่คืออานนี้สงของก า, ารสร้างรักป่ามันมันมันสามารถรักษาป่ารักษาพื้นที่ของป่าของของของของของผ่านของบ้านเมืองได้อะไรไไปที่ปฏิบัติธรรมอยู่เลยนี่ครับว่าป่าสาัว์ธรรรเราเข้าไปอยู่ทรงแท้ที่3 38มาจนถึงเดี๋ยวนี้21กันยายนถ้าเนรนถ้าเนรรูปเดี๋ยวนี้นักเรีน 3ามสิอ่าตอนนี้เหลือส5สิบห้ากับเนนหนึ่งเมื่อก่อนนั้นไอ้ก๊ออยู่ด้วยก็เป็นสาสหแต่พออยู่กอ๊กอบก๊อที่เป็นเพื่อนก๊อฟเขาไปบวชเขาไปบวช3าเดือนแต่ว่าเขาไปก่อนก่อนเข้าพรรษาหนึ่งเดือนปีนี้มันแตกสองผลเขาไปบวชใส่ปีเขาไปบ ว, ปบว 3, 3ใช 3, 1, 8, 2, บวใส่ 3, 4, 5, 5. แตกก่อนทีนันมันก็เลยหมดไปหมดไปก่อนจะออกพรรษาหนเดือน ก็ได้สองเดือนได้คําาสเดือนเขาก็หมดพอดีสามมเก็ได้ันเหลือีาบ้าตับตับเนีนหเหือมตเนีนหนึ่วัดวัดาสสการถวายอท่านเก่าอย่บ้านหออ้ออยู่เบิยตบบ้านเดียวกันกับที่รรีที่รุงปที่ที่วัุีมบ้านมาีบ้าน้าุงรีังน วันคูรีสั้งปีสองสาของเราสามก็เลยดีไปคุยไปคุยมาเอ้าเป็นลูกน้านแม่แม่แม่อ้วนก็พอดีพอดีก็เลยนัดดีว่าเออเดี๋ยวมันวันที่สิบสีนะเราจะไปดูให้เขาแกะรูปเหมือนขูเขียนเสร็จแล้ววันที่13บสามหรือสิบสีเขาให้เรามาดู เลยนั่นนั่ดิมานี้นั่ทั้งมาวันนี้ถ้าเกิดทั้งถ้าเคยอยู่วัดนี้เราก็มาวันนี้เพราะไอแม่อาจารย์ช่วยท่านเสียที่พระเจ้าว่าร้อนกุ้ยเชียงรู้ว่าเราเพราะกนี่มันเป็นเทศอย่างนี่แล้ววันคู่นี้วัดอาโศกอาโศกไปจองอยู่เลยรู้ว่าเราเข้าใหม่นี่มันไป็นเช้าวันคู่นี้ที่ได้ว่าจะมาเช้ากลับเย็น ก็มาเช้าเปล่เดินนือว่ามานชาสหมาเนช้านเลยคือบอกดีนดินเราไปเช้ามีข้าวกินไหเออเออเวอมลูกศิลูกีหลา่อนี่เองาไปมาพรนี้ิจะอ ทุกคนนะนี่เราเป็นเราเป็นผมาไมครับเป็นมาที่่แล้ไม่สบายเกี่เ็ือปดเนือเนือนี่เองเจ็บเนื้อเเนือนี่ก็ไปไปบบัดไปอะไรมาครบครบหมดแล้วเนี่ยที่จะครบละครนะเฮยเฮ้ยไม่เลยเดินได้ได้ได้ไม่หนักไม่ได้แต่วมันมันมีรม่มีอ อาจะเป็นเจียกัญญาอะไรต่อช่วงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิงได้เพิ่งดีที่สุดก็คือข้างในพาวนาใส่สมาธิแล้วภานาแล้วก็ปล่อยทิ้งเราภาวนาแล้วก็ปล่อยที้ตัวสติเป็นงานตัวสติเป็นเป็นอุปกรณ์หลักของจิตตัวสติตัวสังขัญ ญ, ญาตัวที่ทําให้เรารู้ชัดเจนอยู่ในปัจจุบันชัน่ น, นี้เป็นอุปกรณ์หลัก เป็อุปกรณ์หลักของการใช้ภาวนาะเราเอาสตินี้มาตามกําหนดตามกําหนดกิริยาของกายร่างกายจะเคลื่อนจะไหวไปไหนทุกอย่างให้มีสติทุกระยะ้วนอกจากกิริยากาก ย, า ก, ยากิริยาจิตจะนึกจะคิดจะพรุงจะแต่งจะอะไรเกี่ยวกับเวทนาเกี่ยวกับยินดีเกี่ยวกับยินร้ายเกี่ยวกับอะไระะไปไหนพยายามใช้สติกำ ก, กับตลอดการที่เราใช้สติพิจรารณากากับตลอดแบบนี้ มันเป็นลักษณะของที่ปสันาเขาเรียกว่าล like ักษณะของที่ปสันาทีนี้ลงตาท่านสอนนี่ท่านสอนให้เอาทั้งสมมตกฐทั้งวิปัสนาสมมติฐคือไม่ต้องไปไปตามรู้อารมณ์ไหนอย่างสมถตินะท่านไม่ต้องให้ไปตามรู้อารมณ์หลายอย่างให้ทําความรู้สึกอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเช่นอย่างเรานั่งในบนกัลีาณ์แล้วกนั่งพุทโธพุทโธพุทโธมีสติสติที่เราใช้อยู่นี่แหละ แต่เรามาใช้กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวคือพุทโธให้มันที่หมดปกติจิตของเรามันอยู่มันจะอยู่กับอารมณ์เรื่องรุ่เรื่องชีวิตเรื่องควาเรื่องสัมผัสเรื่องราวเรื่องปัญหาสารภาพที่เรามาเกี่ยวข้องในชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันจิตของเรามันจะนอกเอียงไปแล้วมันจะผูกขาดบางที่จะนึกจะคิดจนวนไปหมดจนวนจิตของเราสับสนวุ่นวายไปหมดทีนี้ เราสา ม, มารถสมุนรพรงับได้ด้วยความระยะแรกอาจจะลำบากไปหน่อยเพราะว่าจิตเราเคยปล่อยก็นจนชินเหมเราเคยปล่อยก็นจนชินเพราะเราดูนะครับมันอยู่กับเราดีท่า น, นก็เทียบเหมือนเพราะว่าปลามันเคยดิ่มเคยไปแบบวไ่าไปมาสุดสบายอนู่ดีนะพอเราจาาั บ, บ, บมันมาไล้บนบดมันก็จะดินมเพราะดินมันดินมไม่ดีไปไหนมันดิ่ ม, ม, ม, ม, มจะลงนะฮะจิตของเราเฉื่อยเดีวยวกัน เราให้เขาอยู่กับอารมณ์สงบคือพุทโธอย่างเดียวเขาไม่ค่อยใจยันเขาพยายจะดิ้นดิ้นเพื่อไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกล่นแล้วก็เคยอยู่กับสิ่งเหลนั้นตลอดมันเป็นวงจรของจิตจิตทุกคนจะต้องจะต้องเรียรับรู้ตาทางรูปไปทางตารูปเสียงกลิ่นรถสัมผัสอายะตนะไปนอกสิ่งที่มาเชื่อมต่ออายตนะไปในตัวตาคือหูตัวมือตัวมือตัวกาย ถ้าเราจับมนักได้นี้เราก็จะจับเราก็จะจับไม่ค่อยไม่ค่อยยากเพราะตาตามีหน้าทเห็นรูปหูนะหน้าที่เป็นหนึ่งเสียงแล้วแต่ว่าพอเวลามันล่วงไปแล้วสีมันนี้มันกลายเป็นสัญญาอารมณ์รับตามม่ยังเห็นรูปอยู่นี่เขาเรียกว่ารู ป, ปสัญญาอันนี้คือคุณสมบัติอันหนึ่งของจิตของเราเขาเรียกว่าสัญญาขานทั้งห้าเขาบอกว่ามีรูปมีเวทนามีสัญญา มีสังขารแลมีวิญญาณนี้ที่ผู้ศึกษาสัสงแยกเนี้ยญญมาเพื่อให้เราตั้งเป็นตัวกําหนดพู้ศึกาตรู้ว่าเราคืออะไรส่วนประกอบของเราคืออะไรเรามีรูปแล้วก็เรามีนามการที่เราทําความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิปัสนาการที่เราเอาความรู้สึกมันอยู่กับสิ่งเดียวเนี่ยมันเป็นสมถะแต่ต้องอาศัยสมถะนี่แหละเพื่อที่จะทําให้วิปัสนาแ จ, จ่ยแจ้งถ้าไม่มีสมถะ จิตมันไม่สงบเราจะพิจารณาให้เจ็บแจ้ไม่ได้โดยเฉพาะงานการข้างนอกเนี่ยเราพิจรรารณาได้เราทําได้เพราะมันไม่ละเอียดเท่ากับ ง, งานข้างในงานข้างในคืองานอารมณ์เท่านัมันละเอียดเราจะตามรู้ตามเข้าใจเจาะลึกก็ไปถึงหลักศีจธรรมที่แท้จริงมันจบยากเพราะฉนั้นต้องอาศัยความสงบนิ่งของจิตทั้งลวงปู่สาทั้งลงปูม่มั่นทั้งหลวงปู่ตาวเน้นว่สาสมถะนาักวิปัสสนานะสมถานาักวิปัสสนา ไม้แต่พ้องหมอหมอที่เขก็ขาสอนกันแบบนี่ก็คือนี่ก็คือพอสอนไปแล้วจิตจะต้องเรับความสงบสักถ้าจิตไม่ไม่มีพลังของความสงบเห็นหนอเห็นหนอเห็นอะไรก็ตามไม่ยินอะไรก็ตามนอหนอแล้วหนอตามไปเฉยๆกาลังสู้ต่างหาไม่ได้ต่าหามันวัสวมรอยตักมันก็ดึงไปแล้วมันสวมรอยตักดึงไปนี้วต่าหาคือพลังของสิเลคคือผู้รู้ผู้เรามันไม่ใช่ผู้รู้สิบริสุทธ เป็นผู้รู้ที่ปนเพื่อนปนเพืเ่อนไปด้วยกิริยาที่เป็นเหีห้ยนเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดความอิจฉาทีเสียประโยชอันนี้เป็นมายาของความคิดของเราีาเรีย ก, ร, ยกรวมๆเรียกสรุปว่ากิเลสหรือเรียกตามศัพท์ที่เราเรียกในพระราชนิพนธเรียกว่าตัณหาตัณหาก็คือกิเลสกิเลสคือตัณหา กิเลสก็ค so, ือกิริยาอาการของจิตตัณหาคือกิริยาอาการของจิตมันเกิดขึ้นจากจิตของเราที่ไม่บริสุทธิ์จิตก็คือผู้รู้ทารู้แต่ถ้ารู้มันโผล่ขึ้นมามันมันเกิดขึ้นมาแล้วพวกเรามีมันขึ้นมาแล้วมันมาไม่แบะแบะไม่บริสุทธิ์มันมีตัณหาโนลเปื่อนมาด้วยมีกิเลสโผลเปื่อนมาด้วยทีนี้หน้าที่หน้าที่ของเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านวางพระคาไว้ให้แล้วมีหน้าที่ที่จะม่เรียกตัณหา แยกกิเลสออกจากผู้รู้เราเพื่อเพื่อต้องการให้ผู้รู้ของเรารดได้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นงานนี้เป็นมันเป็นงานที่เอาวิชาการอย่างอย่างใดอย่างไปทําทําไม่ได้ต้องสมรรถนะวิปัสนาอย่างเดียวต้องงานต้องงานภายในอย่างเดียวงานข้างนอกวิชาวิชาการความรู้เราไปเรียนกี่แผนกกี่สาขาด็กอ ก, ดกเตอร์กี่ด็อกเตอรก็ตามไม่มีวิชาใดที่จะจบหรือมาถึงมาสนามไหน และงานนี้มันเป็นงานที่แปลกมันเป็นงานที่ศึกษาเพื่อปล่อยเพื่อละเพื่อวางเพื่อหาตัวตนที่แท้จริงเพื่อเพื่อปล่อยเพื่อคลังเพื่อวางเพื่อนักศึกษาเพื่อปล่อยเพื่อนักเพื่อวางเพื่อหาตัวตนที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เราเราไม่เคยคิดว่าจะหาตัวตนที่แท้จริงเราก็เลยล้มไปตามอารมณ์ที่เยุบเขาเย่ทําให้เราสําคัญมั่นหมายเราอย่างนี้เราเราจะมีความสําคัญมั่นหมาย เราใช้การศึกษาพิจารณลี so, ่ย э น so, ี Too ้ให้เกิดความรู <that> ้ให้เกิดความเข้าใจแต่สิ่งที่จะมาช่วยส่งเสริมการศึกษาของเราให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนั้นจะต้องอาศัยความสงบเพราะฉะนั้นสมถะก้องมาก่อนลงตาถ้าให้เดินเดินไปเหมือนป๋า้ายปวาซ้ายสมมติอย่างช่วงนี้ระยะนี้เป็นระยะที่เราต้องการทําสมถะให้ตั้งใจทําให้จริงจังต้องการให้จิตสงบก็ให้ตั้งใจทําให้สงบอย่างจริงจัง สมสมติเขาสงบสงบไปลึกไปตื้นขนาดไหนตามความสามารถของเราแล้วพอจิตมันถอนจากความสงบขึ้นมาถ้าค่อพิจารณาถ้าจะพิจารณาก็ได้พิจารณาคือตามกำหนดดูกิริยาอาการของของกายของเรากิริยาโผตามกิริยาอาการของจิตของเราคือกิริยาโผของจิตหรือเราเรียนรู้ว่าอาตมณที่เป็นรูปรูปอารมณ์ที่เป็นเสียงสัทธาแบบนี้ เป็นปเปลนเปรถเป็นสัมผัรเป็นอะไรอะไรมันเป็นอารมณ์ที่ตกค้างเข้าไปในจิตมันพิจารณาพิจารณาปีจะนำมาจนถึงจิตพิจารณาที่จิตพิจารณาดูความรุ่มระเข้จิตเมื่อเหตุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเราไม่เคยพิจารณาเลยทําให้เราทิ้งหมดไปทุกอย่างร่างกายต้องแก็แต่เรื่องของกิเลสภายในหัวใจของเรามันไม่อยากเก่ต้องเก็บแต่กิเลสในหัวใจ ข, ของเรามันบอกว่าไม่อยากเก็บตัญหาคือความอยาก มันอยากเหมือนกันคืออยากไม่เจ็บอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บแล้วก็อยากไม่ตายแต่เพราะว่าอันนี้มันเป็นภาวะของสังขารที่เขาจะต้องเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเขาจะตั้งอตามเหตุตามปัจจัยแล้วเขาจะต้องแตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยสังขารที่จะต้องแตกจะต้องสลายไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ตัณหาภายในใจของเราเนี่ยยึดแล้วเกินถือแล้วเกินดูแต่เราไม่เคยเอาเลือดสักหยดหนึ่งไปเกิดในช่องแม่ เราไปยิดแล้วเกิด่าตัวเราตัวเราตัวเราน่างกายเราเราไม่เคยเอาเนื้อสยอหนึ่งไปเกิดในช้องแมโครงสร้างทั้งหมดเราได้มาจากไม่จากพ่อจากม่ธาตุพ่อธาตุม่ประกอบกันในท้องไม่ตอที่เราเกิดเราอาศัยตจิตไปจับไจอไปคลองสังขารที่เขาไปประกอบกันนั้นจะไม่คงที่เขาจะต่ขึ้นต่ขึ้นต่ขึ้นต่ขึ้นต่ขึ้นพราะอายุเกิดเดือนเกเดือนครบเลยเพราอาการสามัสองก็ออกมา ตแต่ไปจับกันก้อนก้อนเลือดใสๆจนมาแดงๆโตขึ้นโตขึ้นๆตขึ้นคือสังขารที่เขาไปประกอบตอนนั้นเขาจะไม่อยู่ดิเขาจะ ท, ท, ทํําทาหน้าที่ของเขาเราต้องการให้โตก็ตามไม่ต้องการให้โตก็ตามเขาก็จะไม่ฟังใครเขาจะทำไปตามวิธีตามตัณใจของเขา อ, อ, อันนี้คือสังขารของเราเราพูดถึงว่าสังขารภายในของเราเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเอาเลือดสักหยดให้เกิดในท้องแม่ แต่พอเราออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้นเราถือนั่นคือถือด้วยตาถือด้วยตัวถือด้วยตวอะไรพาถือตัณหาไม่พาถือตัณหามาจากอะไรตัณหามากับจิตจิตมันมาจากพร้อมกับธาตรู้คือผู้รู้ที่ไม่บริสุทธิ์อาศัยตัณหาตัวนี้แหละมันทกเป็นเป็นผู้พาจิตทําอยู่ทําอินเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เขา ทำอยู่ทำกินทำอะไรอะไรประจำแต่เราพบจระเติทำให้กิริยาหล่านั้นไม่ทํากันเื่อพบที่สูงมากเกิอพบที่กลางมากเื่อพบต่ำมากเกิดสั่งเป็นสั่งเป็นฉันเป็นสั่์เปลยนรกสุรยไกรก็ืลไปหมดตามความต้อขึ้นลงขงต่างๆนี่นีามรู้ึที่้นเราจะรู้จักเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาใจนะครับ นี่คุณสมบัติของความสุบของใจของเราเนี่ยมันมีความสุขมันมีความวอิ่เอิบมีความเบาใจเบาใจมีความสะดวกสบายมีความปลอดโปร่งมีความสุขบางทีเราไม่ต้องไปพิจารณาอะไรเห็นอะไรอย่างอื่นเพราะิตแค่จิตเราสงบเท่านั้นมันจะมีความสุขแบบบอกไม่ถูกแบบบอกมัถูกเพราะฉะนั้น ง, งานนี้จึงเป็นงานหลัก แล้วก็เป็นงานที่เราสร้างสร้างรัสร้างภาพสร้างที่อยู่ให้กับจิตของเราถ้าเรามีคุณสมบัติขยับขึ้นมาเรื่อยขยับขึ้นมาเรื่อยขยัขึ้นมาเรืยเรียกว่ยัความสงบจิตของเราเราไม่เคยเราเราไม่เคยจับมามาเท่านั้น็ได้รับความสงบเพราะเราเขาเคยเราเคยจับเข้ามาทำหนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งเขาจะเพิ่มเป็นวิบากกรรมกรรมจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มตึ้งมันจะไม่เท่าเดิมความจินความเชื่อง ความชินความเชื่อมความสะสมของของการทํางานนี้เขาจะเพิ่มูขึ้นเหมือนอย่างเราทํางานอย่างที่เราทํางานทั่วไปเนี่ยมันจะเพิ่มความํานาญขึ้นเพิ่มความํานาญขึ้นด้วยที่เราฝึกเรื่อยๆฝึกประจําฝึกมัอเนื้อฝึกตรื่อยเลยทําให้เรากลายเป็นคนมีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ให้ให้สาวเปลี่ยนไปไปพิจารณาการงานย่างด้วยไม่ใช่ว่า ทำให้ได้ชาที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สัก่อนสรครเขึ้นมาพิจารณาหลวงตาเขาบอกว่าเฮ้ยใครสงบแค่ไ ห, ไหนขั้นไหนก็ให้พิจารณาสงบแค่ไหนขั้นไหนก็ให้พิจารณาพอพิจารณาไปแล้วเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยท่านให้สงบพอสงบมีแรงขึ้นมาทํางานพอทํางานพอทํางานไปแล้วเหน็ดเหนื่อยเอาพักผ่อนพอพักผ่อนมีเรื่องมีแรงเอาทา ง, งานหลวงตาเขาพูดสองอย่างเพื่อไม่ให้ไม่ให้เราสับสน เพไม่ให้เราสับสนอันนี้คือการทำงานและงานนี้เป็นงานของจิตเราสะสมได้มากน้อยเท่าไหร่เป็นอริยสัพ์ทติตัวเพราะการที่เราเปลี่ยนแปลงอังนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงถูกจุดจุดคืออะไรจุดคือจิตเราเปลี่ยนแปลงที่จิตเราได้เปลี่ยนแปลงที่จิตเราได้เปลี่ยนแปลงอะไรอย่งอืงักสุกันอะไรสารพัดมันเป็นสิ่งที่อยู่ผิวเผิอยู่ข้างนอก อันนี้มันเป็นการมาเปลี่ยนแปลต้นต่อของจิตแท้ๆมันเป็นการต้นต่อของจิตจิตเคยมืดมๆชึ้ๆจิตไม่มีความสงบจิตฟุ้งซ่านเกิดการพอเราเริ่มทจิตเรารับร่างสมบนั้นจิตจะเริ่มมีความสุขจิตจะเริ่มมีความสุขจิตที่สงบนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตของสายและความสงบของจิตน่ะท่านบอกว่าหาความสุขอื่นมาเปลียบไม่ได้มีความสุขมากพอเรา ไปสวงหาความสุขจากอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นสุขขบเวศนาแต่ความสุขจากความสงบนั้นเขาอกเป็นความสุขที่บ่อยที่สุดเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยอมิตรไม่เจือด้วยอะไรนั้นเกิดขึ้นจากความสงบจิตของเรามันไม่สงบเพราะอะไรจิตมันไม่สงบเพราะตัญหามันมีพลังเอาพลังของมันอะไรมายุ่ยเที่จิตยุ่ยเย้ให้ชอบรูปชอบเสียงชอบกลิ่นชอบรสชอบสัมผัสชอบรู้ชอบนิ่งชอบสร้างปัญหาชอบแก้ปัญหาชอบอะไรสารพัดปัญหามันยุ่ มันช่วยเราให้ให้ให้ได้ชอบทีนี้พอพอเราหยุดกิริยาอาการของมันเนี่ยมันจะทําให้ผู้รู้ของเราสนกนี่ยอะยังมีความสุขท่านจึงว่าเป็นความสุขที่บี่สุดที่สุดโดยเะพ้อย่างนี้ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบที่เรียกว่าภาวนาให้ใจไดับความสงบมันเป็นความสุขฐานลักพวกเราต้องการความสุขจากการมีซักมีลาบมียกมีเกียรติมีหน้ามีตามีอะไรอะไรมีศัก์สีมีเกียรติมี หน้ามตาในสังคมแต่พระพุทธเจ้าปท่านทรงแับบางครั้งสิ่เงินบางครั้งเอาสวยนาบางทีก็ไบางทีก็ไม่ได้ได้มาแล้วถึงหัวก็ทำนุกถนอมบางทีก็ได้มาแลแ้วถึงเสียไปก็เลยก็เลยเกิดกระแสว่าเกิดความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้บ้างไม่ได้บ้างไม่แน่นอนแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตมันทิ้งอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นความสุขอย่างยิ่ง ที่ได้บเป็นความสุขที่ไม่มีสุขอื่ยิ่งไปกว่านักที่สันติพลังสุขันเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขอึ่นยิ่งไปกว่านี้คือความสงบองค์ที่เจ้าท่านให้เราทำให้จิตไดรับความสงบเป็นความสุขทางรักถ้าเราตั้งใจทําได้มันเป็นความสุขที่บริสุดธิ์เป็นเป็นสิ่งที่แน่นอนที่เราได้คือความสุขจะได้ง่ายมากกว่า ที่เราไปสลายนะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีแต่ความสุขที่เราหมายที <ain> ่เราหวังท so so really so so so ี่เราหมายไว้ที่เราหวังไว้ไปจะถึงไปจะถึงการถึงคราวที่ที่เราจะได้ประสบผลสิ่งเหล่านั้นโอ้โหเนิ่นนานนักเกินแต่ความสุขที่พระเจ้าพระเให้เราสวยฐานเนี่ยทีนี้ครึ่งชั่วโมงนี้ตั้งใจฮะเอาจนึกอยู่พอใจนึเยอะพอใจนึอยู่ซะนั่นแหะจะมีความสุขแล้วมันเป็นความสุขแนบแน่นหาใจโลกสบาย เริ่มรู้สึกเงือง่เริ่มรู้สึกจิตใจเราเราจะเรื่มผ่องเริ่มใสไม่ขึงไม่มัวไม่ฟุ้ไม่ซ่าไม่รำคาญไม่จิตหลอดโง่เบาสบายมีความสุขไม่รู้จะพัลลัายยังไงความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตที่สนุกจิตขอเราไม่ไ ม, ไม่สนุกเพราะกิเลียุแยย่ยให้จิตนึกจิตคิดเลยวุ่นไปหมดพอเราไปหยุดพอเราไปหยุดกิเลีได้เราหยุดตัณหาได้ การที่เราพุทโธพุทโธพุทโธนี่เรามาบริกรรมเพือพ่อเพื่อไม่ให้ตัญหามันแทรกแต่แต่สติจะต้องยืดรัร้วตลอดมือก็เส้นมือก็เส้นนี้เป็นเส้นพื้นไปเลยไม่ให้มันขาดถ้ามันขาดโดยปกติจิตของเรามันจะไม่ค่อยสงบมันรู้สึกตัวบางไม่รู้สึกตัวบางรู้สึกตัวบางไม่รู้สึกตัวบางมันจะให้จิตของเราเกิดช่อง ถ้าเราจะทียบเอาเราดูเส้นตามนนนั่นะมันจะมีมันจะมีเส้นครยาวแล้วก็มันจะมีเส้นติดขาดิขาติดขาดิาการที่สติไม่มีกำกับติดขามันจะเป็นเห็งเส้นมันติดีนี้ตงขาดตรงนั้นน่ยตาหากตรต่าหาคือเรื่องของที่เลืความอยากได้ความปีชาเสีย ผมเห็นแต่ตัวอันนาตัวอะไรมันโผขึ้นมาตรงนั้นหมดการทีเรามีสติกําหนดเดออี่ยวๆยาวตลอดมันจะไม่เปิดช่องให้การทําแทรกเข้า ม, ขมาขอให้เราตั้งใจทําให้เกิดเราสุบโดยเฉพาะเราไม่สบายอย่างนี้เราไม่มีงานอื่ที่เราจะต้องมาทําแล้วงานที่เราไปปรีกไปไปช่วยอืออ้ออะไรกับคอบครัวบ้างกับลูกบ้างกับเพื่อนบ้างกับอะไรบนะ้าง ไม่คิดจะเสียหายอะไรหลังจากนั้นมาเรื่อยๆร้อนตุ๊บมาพุทุลดุทโตลอดจะทให้เรามีความสุขความสุขพอพอเราได้เข้าถึงภาวะหลังนี้แล้วแต่ไงหรออยู่ก็อยู่เป็นก็เป็นตายก็ตายมันเป็นวิธีที่ทำให้เรามีความอาอาดขึ้นในหัวใจไม่มีความสะเทือนใจไม่มีความปั่นเปรยไม่มีอะไรทนั้น ไม่กลัวได้รับความสุขไดรับความชั่นได้รับความเบิกบานอันนี้ถ้าพูดหรืออยากพูดอุบายจากท่านพูดคือเราพยายามทำเรือใจให้กับเราเองเราทําได้เราไม่รับความสุบเราจะมีเราจะมีเรือใจเป็นที่อยู่สุดวกสบายจากนั้นเวลาพิจอรณาเกดปัญญาการพิจารณาเกิดปัญญานั้นมันเป็นการทํำลายความหลงของเราความหลงด้วยเหตุที่เรามีความหลงเราหลยเราถึงโลก เราโลภเพาะเรามีความหลงเราโกรธเพราะเราหลงเราหลงเพอะไรหลงเพราะหนามันเราไม่รู้หน่่ยว่อวิชชาอวิชชาดูความตตความไม่้ความไม่รู้คือคือจิตของเราไม่นิ่งแวะไปแวะมาแวะไปแวะมาผู้รู้ว่าเรามันไม่โลภเพราะฉะนั้นเรามาฝุดให้จิตนิ่งมันเป็นการดึงจิตมาให้หูจากอวิชชามันจะมานทำให้จิตรู้โลกลายเป็นวิชชา ในเมื่อจิตของเรามีความรู้ความหลงก็ค่อยจางไปจางไปจางไปเหมือนกับความมืดเหมือนกับเงามืดที่มันมาบดบังหัวใจผู้นั้ยิ่งเรายิ่งเจินไปเท่าไรมันก็เรายิ่งซักตอนนั้นซักฟอกซักฟอกซักฟอกซักฟอกทำให้ใจของเราเคยมืดมืดทึ้กทึ้ๆมัวมัวมันเริ่มฟองมัวใสฟองข้าวใสในความของในความใสมันมีความสุดมีความสงกอันนี้เป็นต้นตอแรกเลยที่พุทธเจ้าท่านท่านเอาละอันนี้มาสอน เราะมันเป็นหลักธรรมชาติโดยไม่สําคัญว่าจะเป็นคนชาติชาติวันณะใดก็ตามศาสน า, า, าใดก็ตามมุสลิมคริสอิสลามรามซิกอะไรก็ตามแต่ไม่สําคัญจะพบเป็นชาวพทธนะเอามาัดมุงเอามัดทำคนทุกไทยหมือกันหมดท่านสอนสางแบบนะท่า น, า น, อ น, านสอนสาสอนวิธีการเดียวกันเนี่ยสอนก่านท่านสอนใคท่าน น, านะครับ สอนทำหรือเปล่าสอนวิธีทครับให้อย่างเงี้ยทำจิตเนี่ยครับท่านสอนสอนหรือเราใครสอนท่านหลือปู่เราปู่ตัดเขารับพามือทอย่างเนี่ยอ๋อแล้วแล้วลหลวงปู่สอนใช่ะสอนได้บอกครับหลวงปู่สอนพวกเราได้ไหครับวันนี้เรากำลังฟังอยู่เนี่ยว่าต้องทำยังไงอะที่ให้จิตดสนะก็ก็ทาให้สงบนั่นแหละ ไม่ได้ว่าต้องนั่งหลับตาหรืออะไรเอาหลับตาหรือไม่หลับตาก็ได้ถึงคราวเราไม่มีอะไรแล้วก็มาหลัลบตามสบายกว่าแต่พอเวลาเราลืมตาเราลืมตาเราพยายามใช้สติกํากับตลอดล้วแก้ท่องกุโตะไหมท่องกุโตนี่คือให้อยู่อย่างเดียวคือสมถนให้สงบอย่างเดียวนี่คือสมถะเราตามรู้นูนตามรู้นี้อันนี้เขาเรียกว่าพิปปัสนาอันนี้คือเป็นหลักการที่เราไล่ฟัง พอน้อยยุกนอยได้พอน้อยน้อยก็ได้พอน้อยยุหนอยแต่แล้วเอาควารู้กามันไม่สับสนครับอ่าทพอน้อยยุกน้อยพอน้อยยุกนอมีเสียงมาครับได้ยินน้อมีคนนั้นมาปัได้เห็นน้อมันหลายหนอนี่มันมันไม่ทันคุมของพลังของความสนุกมันไม่มีแจิตเนี่ยต้องอยู่อย่งไรจิตอยู่จิตต้องกํากับควบคุมด้วยสติ ต้องหมดนน้ออะไรอาศัยสติกำกับที่จิตสติก็คือคือความตื่นของจิตนตั่นแหละคือเรื่าสติเวลานี้เรามีความรู้สึกตัวชัดอยู่แสดงว่าเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตั ว, ตวแต่ถ้าถหากเรานั่งอยู่ตาเราเอาจจะจ้องอยู่แต่จิตมันนึกคิดไปที่อื่นอันนี้คือเร ว, ว่าสติไม่อยู่กับตั ว, ตว ตา อ, อยู่กับอะไรอยู่กับความรู้สึกอะไเดียวกันมันเป็จิตมีสติมีสติจำกับอยู่ที น, นี้เราต้องการให้เขาอยู่กับพุโทโธเพื่อเป็นการมาตัดรูปเสียงกลิ่นลดโสภาพาที่จิตมันเกิดขันขัดขึ้นเพื่อให้อยู่กับพุโทโธอยู่เดียวเ้าเรียกพุทโธโดยเด็กนิางตุ๊บายานที่สอนโดยแบบอย่าอ ย, บบยามพรรมจิตเราสงกไปแล้วมันเป็นโดโยพุทโธเนื้อหาเนื้อหาของพุโทโธก็คือธรรมจิตเราตื่ธรรมจิตเรามีความสุขธรรมจิตเรามีความเบิดปาน ต้องฟังต้เรื่อยๆฟังเรื่อยๆฟังธรรมะต้องฟัเรื่อยๆฟังเ่อยๆด้วยใจแล้วก็ทุกปั๊บเลยเพราะยากฟังด้วยทาด้วยจะยิ่งเข้าใจภาวนาให้ใจได้รับความสุบหนึ่งจิตสนุกจากอารมณ์สองจิตลักอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงได้ด้วยปัญญาจิตสุกจากอารมณ์ไา้ด้วยอารมณ์ของสมถะให้มัอยู่กับอารมณ์เดียวจิตปล่อยทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจิตจะสงบ ถึงเราไม่ไม่พบเมื่อภาวนาพุตโถจิตก็ไม่ไปไหนนี่หมายว่าจิตที่เคยสุกแล้วจิตที่สุกแล้วจิตมันเชื่อแล้วถึงเราจะไม่บริการฟุตโถงก็จิตก็ยังอยู่เพราะจิตตัวนี้มีฐานมีพลังกับตัวนเองฐานจิตคือฐานของชีวิตพลังของจิตคือพลังของชีวิตแล้วก็แล้วก็ตัวจิตแท้ๆตัวตุวพลังชีวิตยิ่งตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจิตมันจะหมดจากอากตศภาพดีแล้วมันจะหมดมันไปหาจากจอมเกิดใหม่จะเกิดเป็นมนุษย์เกิดนนิรุณสมบัติไม่พอก็ไม่มาเกิเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าคุณสมบัติพอถึงจะเป็นมนุษย์คุณสมบัติแบบไหนทําให้เป็นมนุษย์ไม่ทิ้งสีห้าบินบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งสีห้าถอาจะมีคุณสมบัติถ้าสีห้าไม่มีกข้อเลยไม่มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์เลย เพราะว่ามนุษย์จะไม่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ภูมิใจในพวเราเรามีคุณสมบัติแบบนี้มาแล้วเพราะคนมีมากเพรคนมีน้อยในพวกมีคุณสมบัติน้อยเราก็เห็นไหมเขามีอะไรไม่ไม่สมประกอบสักอย่างสติก็ไม่ดีตั้งยาก็ไมีอะไรก็ไม่ดีความเป็นอยู่ก็ไม่ดีนายศเกียรอะไรอะไรมันขาดมันไปอะไรไปหมดอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีหคือคุณสมบัติในคุณสมบัติที่เราดี ถ้าคุณสมภคพก็เขาสื่อเรื่องราวจะมีความสมบูรณ์เป็นมนุษย์ทุกที่ทุกทางเป็นมนุษย์ชั้นปัญญาชนเป็นมนุษย์ชั้นขั้นยักษ์บุคคลเพราะั้นยักษ์บุคคเขามีบุญมุนก็ทำไว้มากมายแลวมันก็อยู่เราเราเกิดตามบุสนาลเยเอาตอนนี้คุยได้คุยได้ถาม้อะไรได้เราพูดเราพูดแนวการผู้หลักการให้ ก็อยากเบนะรอยากสุดเครับจะที่แต่งนะครับทำ้วาที่เราทำนะแ่นันะผู้ชอกู้้ก้อกู้ให้ืนอบุทโธซะอหลังจากนั้นมามันมันนึกมันคิดเราจะเดินจะยืนจนหน่าจะอะไรเราเปิดตามวารู้คพอสมื่อเราไม่ตามความรู้ เราก็มาอยู่อารมณเดียวก็โผล่โผล่เือมนกไดอันนี้คืออันนี้คือสือแล้วคือหานแล้วคือพาวนาวคาอพาวนาระเฮ้ยบัดบวบเขาอดฝึกพาวนารึเล่ามีมีให้ให้นั่ทำทำต่วไหนจะเป็นเรียนเสือเรียนอะไรอเนเสือนห้ ผมบอกครับพอดีสางพะพูมที่บ้านครับสางพะพูมที่บ้านอสางูมตั้งตรงนี้ครับพอดีผ้าที่ปลูกครับมันเก่าหรอครับผมถ้าเปลี่ยนีะเปลี่ยนได้ไหครับผมเราก็ไปเปลี่ยนที่ต้องทอะไราครับอกมาไม่เปลี่ยนใหม่เลยไปก็แต่แต่ก็ไปเปลี่ยน ไปพูดไปไปพูดหรืออฮอร์โมนอะไรก็เปลี่ยนมาเลยใช่ะรับเอาข้าวปลาเอาอะไรไปเอาจะให้มีญันบันทบูลคนใดเรียกเพ่งเรียกไปเลยครับแต่ว่าแต่ว่าสรณะของเราจะต้องมีอยู่พุทธทางสระน้ำกระานี่ก็ต้องอยู่ครับธรรมังสระน้ำกระานี่เราต้องอยู่สังขารสระน้ำกระฉานี้เราต้องอยู่ไม่ใช่เราจะไปถึงสารกระปูแล้วเราจะขาดสรณะน้ำเราไม่ขาเราถึงสารกระปูเหมือนกับ สังฆภูเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเพื่อนบ้างเราสังฆภูบางแห่งเขาเพื่อภูเราช่วยเราให้เราได้ความสุขความเกครับถ้าเราทํากับเขาได้ดีแล้วก็เขาก็ให้ให้เราได้รับความสุขความเกลือแต่อย่าไปหวังพึ่งเขาจนจนลืมศีลลืมธรรมลืมศีลลืมธรรมหมายว่าลืมพระเจ้าลืมพระธรรมลืมประสมนั่นเองครับลืมศีลลืมธรรม สีนท ร, รัพไม่สนใจเลยไปวางเพื่สั้นพกภูอย่างเดียวอันนี้ผิดแล้วเพราะสั้นพกภูมิไม่มีสั้นพักภูมิใดที่จะสอนให้เราผนทุกได้นอกจากพูดทางธ ร, รมาสตร์อันสนานฉานี่ ม, มีแล้วไม่มียอย่างอืไม่มีอะไรที่จะสอนให้เราผลทุกได้ั น, น่ี้ก็ไปกลัวไม่ต้องว่าอะไรก็ได้โอ้ภาเก่าเลยนะขอเปลี่ยนใหม่ถ้าอันก่ามมันมันรุนก มันรบจนเหลือบ ไ, ไม่ได้เลเอออันนี้ขอเอาไปเผาทึ้นะเราก็ไปเผาทหดมีสัตว์มีอะไรอยนนะั้นเราเัเขาซกอเลเผาทิ้งเอาตัวใหม่มาให้ดีโอ้ได้ใหมนะ่แล้วสุดยงานราารงานน ะ, นะช่อำนวยความสะบดบสบายใ ห, ให้เราช่วยปกป้อง ค, คุ้มครองรช่วย อ, อะไรไนะแต่อยา่าไปพึ่งเขาจนชิ้งศีลทิ้งข่งามอันนี้ผิดเพราะสาระของมัก็คือ แต่ราอาจารย์บางองท่านไม่อยากให้เรายุ่เลย น, นะบางของท่านเพินกจพูดว่าใครไภาษาพูม า, พมากทาให้ชัน้นะขามีหมายความว่าทิ้งสิ่ทิ้งฐานไวการรบกวนอย่งอ่อ๋อมันเสียหายมือนกัเรื่องเสียหายคือคือเราเอาเป็นที่พึ่งสูงสุดก็ดดได้คนเราเวลาทุกขึ้นมาแล้วมันมันหวังขึ้นหมดหวังทึกข์บไม้หวังขึ้นภูเขาหวางังสุข ยิ่งฟ้าอากาศว่างขึ้นอาทิมากยังพึ่งหมดเห็นก็หินก็อะไรกปไปวังพึ่งหมดสิ่งนั้นบางอย่างให้เราพึ่งพึ่งเป็นการเป็นคราวได้แต่ก็ไม่ไม่ช่วยทาให้เราบรรจุได้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าพุทธธมทังนลายศาสนาคัญสารสนาจาร์นี้จึงจะเป็นสิ่งที่คุ่ที่พื่งที่เลื่อนที่สุดประเสริฐที่สุดเราเห็นความาสังของทัพุทศาสนา ที่สืบช่วงมาจนถึงพวกเราลูกหลานเ่ทีนพื้นานคือคือวัฒนธศาสนาถ้าพูดศาสนามาเป่าบางครั้ไม่เชื่อเฉยเยมันไม่มีพลังอะไรหรอกแุศาสนาอยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะถ้านเาหลักสัจธรรมมาประกาศใครสามารถเข้าไปถึงหลักสัจธรรมอนี้คนนั้นจะเป็นคนดีเป็นคนน่าเป็นคนกระเสริฐเป็นคนเลิศเลอที่สุด เช่นท่านบอกว่าท่านบอกว่าราคะนะเป็นเหตุทำให้เราเดือดร้อนเราศึกษาเรื่องราคะโทสะนะเป็นเหตุทําให้เราเดือดร้อนศึกษาเรื่องโทสะโมหะเป็นเหตุทําให้เราเกิดความทารุณเราศึกษาเราศึกษาสิ่งเหล่านี้แล้วมันเกิดกันอย่างเข้าไปถึงศัจธรรมพอเราศึกษาเข้าไปถึงศัจธรรมที่แท้จริงแล้วมันมี ไอ้ความยึดความถือที่เกลียดมัพาเรายึดเราสมเนี่ยมันก็จะร่วงไปหมดเราจื่อมือเราตัวเราน่าเราพ่อเราแม่เราลูกเราอะไรเราอะไรทั้ว่าเราบ้านเราเรือนอะไรกลายเป็นทุกอย่างทุกอย่างมันอยู่ตามภาวะของมันเราไปหมายมั่นสําคัญเอาเองเฉยเหมามั่นสำคัญอะไร่างกายท่างกายเราร่างกายเรารงกายเราเราต้องอยู่สุขสบัยีไปตลอด แต่เหตุปัจจัยที่มันจะทาให้เราทุกอย่างลบากมันตามเรามาทุกระยะทุกเวลามีชีวิตเกิดมาแล้วมีความตายตามมาโดตามตามตตาามตาตามเลยมันไปดากพรอยข้างหน้าเดินไปถึงเส้นทางที่มันดัไว้มองนะออองน้ หนึ่งให้ใจสงกพอสงกแล้วก็พยายามใช้สติพิจารณาื่อพิจารณานี้จะอยากทาได้อยากทำได้เราก็เราต้องทบางีเราไม่รู้วิธีการเนี่ยคือวิธีการนี้นี่แหละวิธีการนี่แหละเหมือนเราต้องการให้ไฟเกิดขึ้นจากการที่เราเอาไม้มาเสียบสีกไฟแวชึกเดียวมเกิดไมมันไม่เกิดจะต้องถูรจะร้อนจะเกิดไฟ้นัส่นนโดโไอ้ไง เรื่อจากการขาดที่สงบรื้ที่สงบก็ได้โดยเฉพาะบ้านาเราถืสงบขนาดนี้แล้วโอ้ยทเรียนไม่เตอนีเหมือนชา่าเราต้องโผล่ไงเลยคมโอ้ให้พอแล้วตอนนี้เราซื <c oughs> ้อว่า น, นั่งนงั่งนานไม่ได้ <c oughs> นัง่งนานไม่ได้ปว <c oughs> ดหลังเข้ากนนั่งนบกลูกหลานก็อยากได้ข้อปฏิบัติมากเลยแหละครับครับดีต้องหาโอกาสต้องหาเวลาดีแปดีครับดีครับต้องหาโอกาสต้องหาเวลามากมากโดยเฉพาะคุณพ่อก็ ตอนนี้ม่นด้ยู่กับอะไรแลดูแลรักษาอย่างเดียวโดยเฉพาะอันนี้เราก็ยกให้อยู่ให้ยาให้หมออะไรก็ดูเลยความเป็นอยู่อะไรก็อาศัยลูกหลานนี่อะไรช่ดูเช่อยกนี็เรารักษาจิตของเราให้มั่นรักษายังไรรักษารักษาด้วยเอาคุณโถมาคนกลับุโโนั่ถหลับคุโถไม่หลับคุณโถ มันพิจารณาด้วยความรู้สึกเราสมมุติมันปวดมันปวดเอาผู้รู้เราหนึ่งไปเข็นดูความปวดความปวดต่างหนึ่งผู้รู้เราต่าหนึ่งความปวดก็หนึ่งผู้รู้ผู้รู้เราต่าหนึ่งเนี่ยมันคนอันนะแต่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณามันเป็นอันเดียวันมันกลายเป็นว่าเราปวดเราปวดเราปวดเราปวดแท้ที่จริงความปวดต่างหาผู้รู้ต่างหาด้วยเหุที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจ ควารู้สึกมันพุ่งไปกับอะไรมันไปเป็นไปนนั้นหมดคือเราเริ่มภาวนาไปจนจิตของเรามีคุณสมบัติเพราะจิตของเราเริ ม, มีคุณสมบัติเราเทนคุณค่าแล้วมันจะมีผลปรากฏในตัวของเราทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำไปหมดเอาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยแหละดีดีดกับอะไรนะโด่งดองดีดกับโดงต้องฝึกทุกวันนะมานั่งภาวนาแล้วก็ ตุวคืนกับแม่ทำาชีพมุนตรงเตงียงพ่อนอนหละทำาชีเช้าทําปอย่งนี้เพื่อไปไปปวดไปสุกมาแล้วทาเช้ายังไงทำาชีพเย็นไังทงองยังไ้ได้แล้วถ้าเราเิดทํายังไงเดี๋ยวนี้เดี๋ยว น, นี้ทำไม่ได้เขาภาคสุดเขามีเรให้สุด ม, มีเบรกให้ดูเราพยายามดูให้เกิดความรู้เ่อความเข้าใจด้วยเหตุที่ว่าจิตของเรามันวุ่นไปกับเรื่อง ความเป็นความอยู่ความอะไรอะไรมากหน่อยเราเลยให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้น้อยเมื่อเราให้ความสนใจน้อยก็ชะไม่ได้เกิดอะไรอะไรอะไรใแต่ถ้าเราสนใจเราให้ความสนใจมากก็จะต้มีความมีความตั้งใจมากขึ้น มีเรื่องย้อนไปให้พ่อคุณพหาขึ้นาหคืกให้มีเรื่องมีแรงอยู่สะดวสบายแล้วก็ขอขอความหวังให้ตั้ใจภาวนาก็้ะจภานาแล้วจะมีความสุขักรีควมุีักรรเปลี่ยน้เเออบามากแล้วเป็ยนปัจจัแล้วหง่องอะเดี๋ยวนี้อํางนใช้ให้กอนแหละทีนี้นะนีตั้งใจล แส่งว่าเป็นอุลเป็นโอกาสและได้มากบได้มาฉันได้มาพูดออามาให้ฟังหส้งว่าพวกเราตั้งตั้งสินตั้งธรรมเป็นหลักและพยายามเดินไปตามนั้นอันนี้มันเป็นเหตุปรจจัยเพื่อความสุขความเจริญอย่างแท้จริงอย่างอื่นก็เป็นเพียงเพื่อขัดขัดขัดแก้ขัดแก้เถิดบางอย่างก็ไม่ขัดไม่เขินละเพิ่มทุให้กับเราอีกต้องเก็ดให้ดีพิจารณาดูให้ดี สินรมจึิงเป็นเรื่องที่เป็นเหตุที่ถูกต้องดีงามร้อยเไม่ผิดเพี้ยนไปอย่างอื่นยินกับโรงจุก้ายดีถ้า้เคารพน้อยยังไม่มีครอบครัวผมใกล้แตเมย์ได้จะมียังมีลูกกับอย่างไรจะแต่งงานเดี๋ยวจะแต่งงานเดือนหน้านี่แหละสาคัญถ้าเราตั้งใจทำสิ่งนี้จนได้หละเป็นเหล่ะทำให้ชีวิตของเราเปนเป็นสุดเราไม่ได้ไปให้ความสำคัญ อย่างอย่างด้ยังตัวเกเ่ยวเหตุทั้งอย่างขอเราเหลื่องลอยจึงเป็ น, ปน ใ, หให้เราทิ้งศีลทิ้งธรรมศีลม ท, ทิ้งไม่ได้นะถ้าทิ้งที่ไหนเมื่อไหร่เราจะจมเลยเราทิ้งศีลไม่มีศีลสักตัวไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกจำต้องจาให้ดีแล้วก็บางคนหวังพบพระศ í, อรีอามมรยธรมไม่ตายไม่ทำตัวให้มีศีลมีธรรมเมื่อนี่โอกาสใด้พบท่านหรอกคนที่เป็นเกิดในยุท่านเนี่ยเป็นคนบุญคนมีบุาไม่มีบุญไม่มีโอกาสได้เกิดเลย เราจะต้องสร้างและสร้างตัวทําก็บบันทึกิดคนคำว่าบุญเพราะเขาบุญเราทาเราไม่ต้องเสียเงินที่ทองก็ได้นั่งภาวนาไปบุญเยอะไปบุญมากกว่าด้วยเฮ้ยมีทรัพย์มีเงินมีทองมีอะไรเก็บบันใช่นั่งภานานด้แล้วบุญเช้าเย็นกลังคืนหนึ่งๆภาวนาบุญเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเวลาที่เราทํายูะเราไม่เสียเวลาก็เลยเสียที่เฉยๆเรามีเวลาสองชั่วโมงต้องที่ภาวนะ มอเวลาไม่เสียไปไหนเสียไปกับคนนะพุทธเถิโอ้อะไรมหาสาไเลย น, นะนใจความทุกคนทุกการทัศน์สิ่งสมบุรณ์ไปให้กับกิตดดามันดาคุณย่าอาทิยไปคุณย่าไม่อ้วนอ่แล้วแล้วคุณพ่ออายุเท่าไหร่6กปีครับ เอาคุณพ่อไหนคะคุณพ่อรับคุณ่นี่หกสิบสี่ไอนี่คุณพ่อนูนคุณพ่อรูปปั้นรอยน่อยพอดีร้พอดีบางคนยืนได้เดินได้่าไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมอไไมไม่ไไม่ไไมไมไม่ไม่ไไป่าม่ไม่่ไมมไม่ไม่่่ม่ไไ นี่นะุนีเจ้าขนบนะตอนให้เราเลี้ยงพ่อแม่เท่ากับแบกบซ้ายป่าซ้ายาขวาเราสาาามองมันจมึนเราทำมะเราทมะนเรื่องมาบอมะนะพ่อแนแม่แนะปู่ น, นอะไรอะไ ร, ะไรเราสามารถสมองมันกุดได้หดนีเพูดอะไรนะคนกระตันยูขาไหนกระันยูท่านยกตัวอย่างเอาพ่อมาแบกขวาแม่มาแบกซ้าย ต, ตั้งแต่ รู้เยงสาเพาว่าจนเราตายจากท่าตั้งท่านตายแากเราก็ไม่สามารถสนองอุบุคุณได้แต่สำหรับคนนั้นมีศีลมีธรรมอ่าบอกพ่อบอกแม่ให้พ่อแม่มีศีลมีธรรมจิ้งปฏิบัติจนได้อะไดรทำสนองอุบุคุณท่านหนึ่งเราฟังลุงตาท่านพูดเลโอ้ชึ่นใจมากท่านบอกว่าเฮ้ยเราจะไปไหนยังไม่ได้ยังผูกพันอยู่กับแม่ท่านเลยไปเอาแม่ของท่านหมวหลุงตานะ น้อนตาห้ามบวกบอกอาแม่ครับอาแม่เขท่านบวกฉะนั้นท่านก็ไปสอนคำสอนทุกวันยี่สิบห้าทุกวันสอนทุกวันยี่สิบยิ่งยิ่งยิ่งไปสอนบ่อยที่สุดสมัยคุณภาพงาเข้าไปอในครัวน้องตาเข้าไปสอนในครัวทุกวันทวนคุณแม่คุณแม่คุณแม่เราฟังทุกวันทุวัได้ได้ขวันไหน้งตาไม่ไปลูอย่าฟังที่นองตาจนได้นิมนต์้องตาให้ไปเทศให้ฟังเลยน้องตาน้องตาข้าพูดพูดว่า โยมนาานะครัมโยมาไปอย่างสนุกโยมนามีที่พึ่งมีที่กอดได้อย่างนี้แหมดตลอดหหลหมดรนะองคุณคุณของโยมนาฬไดหพระเชุบาอาจารย์เกิดทุกองค์ท่านได้อยู่สุขสบายแล้วท่านเช่าพ่อแม่ไปอยู่ด้วยเอาพ่อแม่ไป่วชเพราะท่านเห็นคุณค่าของสิ่งนมีนะมีการโฆษณาอะไรจาพวกเรา คอบคแม่เพื่อเรือนมีดินบอกลยมีโดงและพวกเราเนี่ยงด้วยกันเชนกรแและที่ที่สาคัญที่สุดไม่ทิ้งศี่ิงมที่สาคัญที่สุดที่จะเห็นผลภาวนาได้ความสงบสงบสบายก็ที้ทีที่ที่มนั้นเราได้ได้รับความสุขอิ่ก็สุขอดก็สุขถ้าใหอบ กดน้ำได้เลยเรื่องกดน้าได้เลยอทิศคุยะนะมียะถาหวาวนาภูราภิรูเรนิรารเมวอุตตมัเกตานุเพกาปตีอิจิตังปติตังุมขันติปเมวสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังตปาจันตปัสสุามิโชตส้สักติโยวัชามต สักพะโรโควินัศตุมาเทวัตวันกตายโยสุขีทีกา ย, ยุตโตภะตะพิวาเมศสีมิสริจังพุทธาปิชายโนโจัตตาโรธรรมวัตถันติอายุวนโนสุภาลปารังภะตุสัพพมังฆลั ง, ร, ร, ร, ลงรักขันตุสัพเทวตาสัพพคุถานพาเวนสธาโ ส, สถีตะ ว, วันจุดเทภว ต, ตุสัพพมังฆลังรักขันตุสัพเทวตา สัพทมานาเวนะสธาโสตีภาวนโตเตปะวะทุปสัพพมังคลลานะรัันุสุปเทวะตาสัพสังขานาเวนะสธาโสตีภาวนโตเต